ถ้าตอนนี้ไปตั้งใจฟังนานทีไม่ได้เป็นปีที่สามหรือเปล่าที่หลวงพ่อได้มานั่งทีนออ่นี่เออนั่นแะสิสองปีผ่านไปไม่ได้มาวะกันแต่ไมไ่เป็นปีที่สามหลวงพอ่อเดยมาพบกับลูกหลานมาคราวนั้นพอ อ, อก็ไม่อยู่อีกต่างหากพออไปขอนแก่นมาพบกับคณะ หมอคณะพยาบาลในครั้งนั้นบอกว่าคุณพออติดทุรละงั้นแต่มาคราวนี้รู้สึกพร้อมหน้าพร้อมตากันหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมทนนยกถาให้แกคณะทา ย, ยาทโยมทุกทุกท่านที่มาร่วมฟังในวันนี้สรุปแล้วก็คือพวกเราทุกหมู่ทุกเหล่าอยู่ด้วยกัน หรือว่าเป็นอยู่ที่เกิดมาในพื้นในเกิดมาเป็นมนุษย์ควรจะมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมประจากายวาจาใจของเราอันนั้นคือความถูกต้องแต่ถ้าว่ามนุษย์เกิดมาแล้วไม่มีศีลธรรมจริยธรรมไม่มีกฎหมายไม่มีกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันมันก็เหมือนกับสัตว์ป่า ต่างตัวก็ต่างอยู่ตัวไหนมีอำนาจตัวนั้นก็ต้องใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ถูกต้องแตตัวไหนมีอำนาจเกิดมันไม่รู้จักว่าอำนาจถูกต้องหรืไม่ถูกต้องแต่ถ้าว่าเป็นมนุษย์เกิดมาแล้วได้รับการอบรมได้รับการศึกษาที่ดีแล้วก็มีก ฎ, กฎกติกาในการเป็นอยู่ด้วยกันการที่อยู่ร่วมกันอันนั้นแปลว่ามนุษย์ ได้รับการศึกษาดีแล้วแต่นี้พอได้รับการศึกษาดีแล้วถึงยังไงก็เถอะได้รับการศึกษาดีรู้เรื่องหมดทุกอย่างแต่ว่าเอาชนะใจของตนเองไม่ได้อันนี้ก็คือชนหนึ่งอีกเหมือนกันคล้ายๆว่าได้รับการศึกษาดีอยู่แต่ว่ากิเลสภายในใจของเราเนี่ยมันผลักดันมันออกมาในทางที่ไม่ถูกต้อง มันอยากจะทำตามที่มันอยากอยากจะคิดอยากจะพูดอยากจะทำแต่้นเมื่อมันอยากตนนัวนี้โดยมากมันจะอยากไปทางต่ำไปในทางที่ไม่ถูกต้องอันนี้จะทำยังไงนี่แหละต้องมีหลักพระพุทธศาสนาเนี่สอนจุดนี้ทีนี่สอนจุดที่ว่าจะทำยังไงจึงจะคิดให้ถูกต้องใ น, นเมื่อคิดไปในทางที่ถูกต้องมีเหตุมีผลเป็นสัมมาทิฏฐิ การกระทําออกไปก็เป็นสัมมาทิฏฐิคือทางถูกต้องจะพูดออกไปก็พูดในทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจึงมีหลักศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิงย่งพวกที่เรานับถืออยู่นี้ก็คือพระพุทธศาสนาคือพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าการอยู่ด้วยกันอยู่อย่างไรมีน้ําใจอย่างไรมีเมตตาอย่างไรมีการเสียสละอย่างไร เพราะนั้นวันนี้ท่า น, น, นพอออและคณะได้ร่วมกันคิดเป็นหัวข้อที่จะให้หลวงพ่อพูดว่าการทำงานของพวกเราการทำงานโรงพยาบาลของพวกเราให้ทำด้วย อ, ออกมาจากใจจริงออกมาจากน้ำใจทำงานด้วยใจจริงทํางานออกมาจากน้ำใจ อันนี้ก็คือน้ำใจก็คือคนที่ขาดน้ำใจคนไม่มีน้ำใจถึงจะอยู่ด้วยกั น, นก็นคอยู่แบบอยู่แบบไม่มีน้ำใจอยู่ไม่แบบไม่มีเมตตาในหลักของพุทธศาสนาแต่ภาษาฝรั่งไม่มีนะให้พวกเราคนคิดหรือจะไปศึกษาได้ชื่อว่าน้ำใจหนึ่งกตัญญูกตเวทิตาในความกตัญญูทดแทนบุญคุณภาษาฝรัง่งจะ จะหาตรงๆอย่างภาษาไทยของเราไม่มีมีแต่คล้ายๆแบบใกล้ๆเท่านั้นเองคำว่าน้ําใจเนี่ยก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าเขามีาศาสนาหรือว่าขนบธรรมเนียมประเพณีของเขาเป็นอีกในลักษณะแบบหนึ่งแต่เมืองไทยของเราเนี่ยเอเชียของเราเนี่ยโดยมากคำว่าน้ําใจครับนี้เรารู้กันได้เลยว่ามนุษย์ผู้คนไหนก็ตามถ้าแรงน้ําใจไม่มีน้ําใจ ไม่มีเมตตาต่อกันแล้วหาเพื่อนฝูงได้ยากผู้ที่จะมาคบค้าสมาคมกับเราเขายากก็ให้หลายเพราะเราขาดน้ำใจเราไม่มีน้ำใจเราไม่มีเมตตาเพราะนั้นเรื่องน้ำใจแลอเมตตา เ, เป็นหน้าที่ของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างโรงพยาบาลของเรานี่แหละสมควรอย่างยิ่งเลยนะควรมีอย่างยิ่งควรฝึกฝนอย่างยิ่งเพราะเหตุไรเพราะว่า ทุกคู่ทุกลูกทุกนามทุกคูทุกคนที่มาเกี่ยวข้องล้วนแล้วจะมีความทุกข์สะกอ่อนไม่ใช่ว่าเขามีความสุขสนุกสบายขึ้นมาแล้วก็เขามาโรงพยาบาลไม่มีลักษณะอย่างนั้นเวนเสียจะมาเยี่ยมยามถามข่าวเป็นคลั่งคราวมาเยี่ยมผู้คนในโรงพยาบาลถึงมาเยี่ยมก็เถอะถ้ามาเยี่ยมป่วยแนย่ก็เป็นทุกใจพลังแล้ยังค่อยมาเยี่ยมเวนเสียจะมาเยี่ยม หมอมาเยี่ยมพยาบาลที่มาทํางานอยู่ในนี้เอออันนั้นอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าว่ามาเยี่ยมคนป่วยหรือว่ามาป่วยในโรงพยาบาลอันนั้นแปลว่าทุกมีความทุกข์ในใจอย่างสุดๆบางทีก็ป่วยหนักนจะรอดหรือไม่รอดอันนั้นก็ยังไม่ไม่มั่นใจถ้าเข้ามาโรงพยาบาลนั่นแหละมีทุกข์หนักที่สุดคล้ายๆก็มองเห็นอะไรก็คล้ายๆว่าไม่พอใจ แล้วจะทำยังไงที่จะให้คนอื่นช่วยหรือจะให้หมอช่วยหรือจะให้พยาบาลช่วยในจิตในใจขอพวักพวบนเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ในจิตในใจลึกๆไม่ว่าใครอันนี้ก็คือว่าเป็นห่วงคนที่ตัวเองรักคนตัวเองรักคือพ่อแม่หรือว่าพี่น้องหรือสามีภรรยาลูกที่เรารักแล้วก็อเอามาโรงพยาบาลทนี้ความรักความนี้แหละ ถ้าว่าไม่ได้รับความเอ amazon, เื้อเฟื้อไม่ได้รับความเมตตาไม่ได้รับน้ําใจจากทางโรงพยาบาลหรือจากหมอจากพยาบาลหรือผู้กเกี่ยวข้องผู้ที่เข้ามาเนี่จะกลายเป็นโทสะขึ้นมาเองคือความไม่พอใจหงดหงิดขุนหันเป็นโทสะขึ้นมาทีแรกก็วิตกกังวลต่อมาก็กลายเป็นความไม่พอใจขึ้นมาถ้าว่าไม่ได้รับความเมตตาหรือไม่ได้รับคําพูดที่ ถูกต้องเรียกว่าไม่ได้ครับความอำนวยความสะดวกอันนี้คือพวกเราในโรงพยาบาลไม่ว่าผ อ, อไม่ว่าคุณหมอไม่ว่าพยาบาลจุดนี้แหละพคักว่ามันมาอารับมารับอารมณ์ของคน ท, ทุกหมู่ทุกเหล่าเข้ามาในโรงพยาบาลทีนี้เราจะทํำยังไงเพราะเรามีหน้าที่อย่างนี้มีหน้าที่อย่างนี้ที่จะมารับ อารมณ์ของคนอารมณ์โมโหโท่โศโกธาอารมณ์น้อยอกน้อยใจของคู่คนเราจะทำอย่างไงจุดนี้แหละหลงพ่อว่าทั้งหมอกนดีทั้งพยาบาลกนดีต้องฝึกซ้อมเอาไว้เหมือนกันต้องฝึกหัดเอาไว้ต้องฝึกหัดใจเย็นๆเอาไว้คล้ายว่าให้มีเมตตาเอาไว้ให้มีน้ําใจเอาไว้ให้มีความอดโธ่สะหรือว่าความไม่พอใจให้อยู่ในใจเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าเราแสดงออกไปหรือว่าแสดงความไม่พอใจออกไปไปชนกับเขาเหมือนเขาตบมือมาแล้วก็ตบมือไปเมื่อกลางป๊ะทีเดียวเนี่ยแต่มีถ้าเขาตบมาทีเดียวเราก็หลบซะเขาตบลมตบแร้งไปแล้วก็ผ่านผ่านไปจากนั้นก็อารมณ์เขาเขาก็จะรู้สึกขึ้นมาแต่ถ้าว่าเรามีอารมณ์ร้อนต่อร้อนเข้าไปแล้วมันชนกันได้ง่ายๆสิ่งเหล่านี้แหละ ที่พวกเราทํางานในหน้าที่นี้ถึงหลวงพ่อยังอยู่ในป่าตรงพงภัยหลวงพ่อก็คิดเหมือนกันนะคิดอย่างเนี้คิดในโรงพยาบาลของพวกเราพวกเราต้องมีน้ําใจต้องมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ต่อพี่น้องปู่ย่าตายายญาติมิตรสาหาิคนร่วมชาติร่วมประเทศเองที่เข้ามาคนร่วมโลกนะไม่ใช่ว่าประเทศนะอย่างประเทศเราประเทศขเขมรมา เย็บแค่ได้ป่วยมาเราก็พร้อมที่จะรักษาเขาเหมือนกันเพราะนั้นก็บ่าคนร่วมโลกเพราะฉะนั้นขอให้ทุกหมู่ทุกเราลูกหลานทุกคนพยาบาลทุกคนผู้เกี่ยวข้องทุกคนตลอดถึงพวกผลเข็นเปอย่างเนี้ยต็องช่วยกันอย่างเนี้ยต้องมีน้ําผิดน้ําใจด้วยกันทุกหมู่ทุกเา่าเพราะเราทํางานเป็นทีมทํางานในโรงพยาบาลแล้วแต่ท่านพ่ออก็เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองเป็นผู้ดูแล ทุกหมู่ทุกเหล่าถ้าว่าขาดเหลือขาดตกอย่างไรก็ต้องพค่กันตามเหตุตามผลผู้น้อยผู้ใหญ่อันนี้ก็คือทุกหมู่ทุกเราก็ต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างวัดหลวงพ่อก็เหมือนกันมีพระเข้าบางทีก็มี20 30 40สองค์แล้วก็มีญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องบางทีก็เป็นสิบกว่าคนที่มาอยู่ในวัดก็ต้องอาศัยน้ําใจอาศัยความ พูดกันอาศัยการอบรมอาศัยการบอกกล่าวบอกว่าจริง น, นั้นผิดจริง น, นี้ถูกจิิงนี้ควรจริง น, นี้ไม่ควร <ancient language> ในฐานะที่เป็นหลวงพ่อเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อก็ต้องดูแลทุกหมู่ทุกเหล่าอีกเหมือนกันว่าใครไม่สบายยังไงใครทุกข์ใจยังไงใครไม่สบายยังไงใครมีเรื่องอะไรอาหารการบริโภคเป็นยังไงหลวงพ่อในฐานะที่เป็นหัวหน้าหลวงพ่อก็ต้องมองให้รอบคอบดูให้รอบทิศรอบด้านอีกเหมือนกันการเป็นอยู่ ยิ่งเราอยู่ในป่ารงพงไพ่สัตว์ทั้งหลายพวกงูพวกสรพิษทั้งหลายก็พร้อมที่จะเสี่ยงทุกคู่ทุกคนที่อยู่ในป่าแล้วก็พร้อมที่จะให้อำนวยความสะดวกให้ทุกคนอย่างไฟฉงไฟฉายฐานไฟฉงต้องดูทั้งหมดเพราะงัน้นนี่ก็เหมือนกันการทํางานพวกกันทุกหมู่ทุกเหล่าไม่ว่าวงการไหนไม่ว่าโรงพยาบาลไม่ว่าโรงเรียน แต่โรงพยาบาลแล้งทองคำเป็น ท, ท, ทีมงานใหญ่ที่หลวงพ่อได้ถามมาทั้งหมดก็มีถึงร้อยกว่าคน150ห้ากว่าคนนี่แหละมากพอสมควรแต่ถึงยังไงก็ขอให้คณะลูกหลานที่ทำงานร่วม ก, กันให้มีน้ำใจอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวหรือว่าพวกเราไดคิดเป็นหัวข้อขึ้นมาว่าให้พวกเราทำงานด้วยน้ำใจด้วใจจริงอย่าไปทาแบบเล่นๆแล้วทาแบบ รอดได้แหละเรียกว่าทําแบบไม่ใส่ใจต้าว่าทําไม่ใส่ใจอย่างนั้นพนักงานหรือบอกคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาเขาก็ไม่ประทับใจในเมื่อเขาไม่ประทับใจคําว่าไม่ประทับใจคํานี้แหละมันจะเป็นเสียงสะท้อนย้อนกลับมาแล้วจากนั้นพวกเราจะได้ยินเสียงที่ไม่พึงปรารถนาจากนั้นก็จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นได้ง่ายพอยุคสมัยนี้ มันคู่คนมันใจร้อนนะหลวงพ่อว่าที่ได้รับการศึกษาเนี่ยพวกคนได้รับการศึกษาเท่าเทีเทยมกันทางว่าศิไม่เท่าเทียมกันอันนั่นแหละเกิดขึ้นอะไรเด้งงา่ายๆเพราะนั้นเสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องพยายามทําให้ดีที่สดุดคือใครอยู่ในตําแหน่งไหนหน้าที่อะไรก็ขอให้ทําดีหน้าที่นะั้นดีที่สดุดอย่างท่านพ่ออ๋ท่านก็เป็นผบเป็นผู้ใหญ่ท่านก็จะต้องทําให้หน้าที่ของท่านให้ดีที่สดุด รองผ อ, อหรือคณะคุณหมอคุณหมอทุกท่านเขาทาหน้าที่ให้ดีที่สุดพยาบาลทุกคนพนักงานทุกคนทําหน้าที่ให้ดีที่สุดถ้ทวารดีที่สุดคํานี้นะ่ะแต่มือคือพวกเรากคงจะรู้ว่าดีที่สุดนั้นคืออะไรถ้าว่ามันจําเป็นมันอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าไม่จําเป็นเราก็พยายามทําสุดความสามารถของเรานะเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคน ประชาชนพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหลา่าที่มาเกี่ยวข้องทั้งหมดถ้าจะว่าไปแล้วคือท่านเหล่านั้นเป็นผู้เสียภาษีแต่เราก็เสียภาษีเหมือนกันแต่ทุกคนก็เสียภาษีเสียภาษีให้รัฐบาลรัฐบาลก็เก็บภาษีขึ้นมาแล้วเนี่ยแหละว่าจ้างทุกหมู่ทุกเหล่าแต่หลวงพ่อเนี่ยก็เหมือนกันนะหลวงพ่อเนี่ยเขาก็หลวงพ่อได้เป็นสมพานวัดตะก่อนไม่มีนะปัจจัย เขาวันนี้จะพัดเขาวันแต่พระามไม่จริงบอกคงจะเป็นเงินเดือนนั่นแหละแต่เขาก็ให้แต่ก่อนเดือนละห้าร้อยบาทเขาให้เดือนละห้าร้อยสมพานวันนั้นแหะแล้วก็ทีนี้ต่อมาในเขาเพิ่มมาอีกเป็นเดือนละพันบาทอันนี้สมพานเขาให้เดือนละพันบาทอันนี้คืเงินภาษีเหมือนกันแต่ทุนี้หลวงพ่อเขาคิดเหมือนกันนะหลวงพ่อเขาคิดเหมือนกันว่านเนี่ยคือเงินภาษีที่น้องประชาชนที่เขาถวายมาที่เขาให้มา หลวงพ่อเอกก็พยายามให้ใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดอีกเหมือนกันเพราะว่าเงินภาษีผิดของประชาชนที่เขาให้มาแล้วก็พวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันที่พนักงานทุกหมู่ทุกเหล่าที่ทํางานสวนราชการไม่ว่าเป็นครูโรงเรียนไม่ว่าที่พ า, ากษาอายการไม่ว่าตํารวจทหารไม่ว่าคุณแพทย์ไม่ว่าแพทย์ว่าหมอก็ได้รับเงินเดือนจากเงินเดือนหลวงเงินเดือนรัฐบาล เพราะนั้นเงินเดือนรัฐบาลก็คือเงินภาษีที่น้องประชาชนเพราะนั้นให้เรามองที่น้องประชาชนเหมือนกับญาติของเราหรือว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณสำหรับเราเพราะนั้นเมื่อเขาเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนหนึ่งเราก็ต้องคิดลึกๆอีกเหมือนกันอย่างหลวงพ่อเหมือนกันเห็นที่น้องประชาชนเข้ามาสู่วัดวาศาสนาหลวงพ่อพยายามต้อนรับขับสู่เหลี่ยงพวกเราท่านทั้งหลายไปเห็นบางทีก็หน้าเบื่อเหมือนกันนะ แต่มันเบื่อไม่ได้เพราะเราเยอะอยู่ในชุมชนอยู่ในสังคมแล้วก็ต้องมีน้ำใจใครๆมาเราก็ต้องต้อนรับครับสู่ถ้าใครถามปัญหาอะไรขึ้นมาเราก็ต้องพยายามแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเราเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดในเมื่อเราเป็นหัวหน้าเราเป็นเจ้าอาวาสเราเป็นสมภารวัดเป็นหัวหน้าวัด ใครมาเกี่ยวข้องเราก็พยายามทําให้ดีที่สดุดอย่างที่หลวงพ่อได้พูดพอ่ะเพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนนะอยู่ในสถานะไหนอยู่ในหน้าที่อะไรพยายามทําให้ดีอย่าให้ขาดตกบกพร่องในเมื่อทําให้ดีแล้วไม่ขาดตกบกพร่องแล้วมันเป็นบุญกุศลนะจ๊ะนี่มันเป็นบุญกุศลในจิตในใจเราคิดมาเมื่อไหร่เราก็สบายใจเพราะเราทําหน้าที่ดีแล้วแต่ถ้าเราทําไม่ถูกน ะ, ะมีที่รับมีที่แจก ที่ทำที่ไม่ถูกแล้วมันเป็นบาปอกุศลนะเป็นเป็นบาปอกุศลเล็กๆมันจะเข้ามาสู่พวกเราทําอะไรขึ้นไปก็ไม่เจริญรุ่งเรืองเพราะเหตุไรเพราะบาปอกุศลมันก็เป็นพลังเหมือนกันนะบุญกุศลก็เป็นพลังบาปอกุศลก็เป็นพลังถ้าทําดีแล้วใครๆเห็นก็ว่าดีจากนั้นคุณงามความดีตัวนี้จะเสริมตัวของเราสิ่งที่ จะขาดตกปกป่องสิ่งที่มันจะทกยากลาบากสิ่งที่มันจะหมดจะหว้วนไปหรือว่ามันจะไม่มีเงินใช้อย่างเนี้ยแต่พอทําทําไปมันมีสิ่งอันหนึ่งบรรดุนบรรดาลขึ้นมาเมื่อเราตกคราวตกทุกข์ได้ยากเมื่อคราวตกทุกข์ได้ยากนะคราบไม่สบายใจแล้วเรามันขาดมืออย่างเนี้ยเงินทองขาดมืออย่างเนี้ยมันจะมีพลังออกมาให้เราได้สบายใจ หลวงพ่อเคยเจอเคยพบมามากต่อมาหลวงพ่อจึงเชื่อว่าบุญมีบุญกุศลมีบาป อ, อกุศลมีเพราะนั้นถ้าเราทําดีแล้วช่วยเหลือชุมชนสังคมแล้วมีเมตตามีน้ําใจมีการเสียสละแล้วในเมื่อบางครั้งเราคิดว่าโอ้ข่าวนี่เข้าตาอับตาจนแล้เราไม่มีปัจจัยที่จะใช้แล้วจะเราจะเอาอย่างไงนาะอย่างนี้คล้ายๆกับเหมือนกับเทวดาไปบอกใครก็ไม่รู้องั้นแต่ เอามาให้เราเราก็โ อ, อ้ได้มาอย่างไรนี่หวายคือใคราค่าวันได้มาแบบไม่มีปีมีขวี่ลักษณะอย่างนั้นอันนี้มากต่อมากที่หลวงพ่อได้ได้รับเพราะหลวงพ่อเนี่ยอย่างที่จตหาญาติโยมได้เห็นใช่ไหมไม่ได้ทํามาค้าขายไม่ได้หากําไรอะไรทั้งหมดเพราะเป็นพระก็อยู่ในป่าดงพงไฟวิั ต, ติปฏิบัติศริงป ฏ, บป ฏ, ปฏบิบัติธรรมอยู่ตามลําพังสุดแท้แต่ผู้ใดจะมา มีอะไรมาให้แต่บางครัง้งบางคราวมัดก็จําเป็นจําเป็นเพราะอะไรบางที่กับพระเนงเจ็บไข้ไตป่วยบ้างบางเคียงก็สิ่งของที่เราจะต้องใช้ภายในวัดมันขาดเหนือขาดตกบ้างแต่บางครัง้งใครจะเป็นคนคิดล่ะสมผานใช่ไหมที่เป็นเจ้าอาวาสแต่ต้องคิดเราจะได้ปัจจัยอย่างไงมาใช้ตรงนี้นะเราคิดอย่างนั้นเหมือนกคาเทียวดาไปบอกไปบอกคนอื่นเข้ามาอะไรอย่งั้นแต่เราไม่ได้พูดอะไรนะมันอยู่ในใจจากนั้นก็ปัจจัยก็มาเออ ผ่านไปได้คราวนี้นะอย่างนี้มีมากต่อมากนเมื่อคราวจำเป็นเพราะนั้นหลวงพ่อว่ามันเป็นพลังเมื่อเราทำคุณงามความดีเมื่อเราสร้างคุณงามความดีไปไปแล้วมันเป็นพลังหนุนทางด้านจิตใจหรือการเป็นอยู่ของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราอย่าไปเิดคในที่สิ่งที่มันไม่ดีพูดไปในสิ่งที่มันไม่ดีทาไปในสิ่งที่มันไม่ดีคาว่าไม่ดีคานั้นน่ะจะตามสนองเรา ในทบนี้ก็เถอบเนี่นชาติหน้าก็อีกตามไปเรื่อยๆอย่างพระในครั้งพุทธการในครั้งพุทธเจ้าของเราพระพุทองค์ยกท่านพระจักรคูบาลท่านพระจักรคูบาลเป็นลูกเศรษฐีอยู่ที่กรุงสาวัตถีท่านมีพี่น้องสองคนคือพ่อแม่ของท่านเป็นคนรวยได้ไปขอลูกจากต้นไม้เหมือนกันเถอะไปขอลูกจากเทวดาเทวดาเอ้ยขูกฆ้าไม่มีลูก พอลูกเวทเทิลต่อมาพัญญาเกิดตั้งคันก็เลยได้ลูกมาคนที่หนึ่งต่อมาก็เลยคนที่สองต่อมาเป็นหนุ่มขึ้นมาก็ทำงานทําการช่วยเหลือพ่อแม่ได้แล้วพ่อแม่อายุมากก็ได้ท่านขอมรณภาพไปก็ยังเหลือพี่กับน้องสองคนต่อมาอีกที่พี่ชายใหญ่คือพระมหาที่จักคูบ้านเนี่ยท่านก็เป็นพี่ชายใหญ่ ทำมาค้าขายต่อมาก็ได้ไปฟังเทศของพระพุทธเจ้าที่วัดป่าเชตะวันมหาวิหารพระพุทธเจ้าท่านก็เทศว่าเออร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอีกสักวันหนึ่งจะต้องทิ้งทั้งหมดด้วยการทั้งหมดไม่มีใครที่จะเอาร่างกายตัวเองไปได้ถึงจะทนุถนอมเลี้ยงดูดีขนาดไหนก็เถอะร่างกายนี้ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอไม่ให้มันแก่มันก็แก่ไม่ให้มันเจ็บมันก็เจ็บไม่ให้มันตายมันก็ตาย ทุกคนต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้เพราะนั้นมีทางเดียวเท่านั้นแหละไม่มาเกิดอีกชำระใจให้บริสุทธิ์ชำระกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจแล้วผู้นั้นบริสุทธิ์แล้วนั่นแหละจึงจะไม่มาเกิดอีกไม่มาเกิดแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทาไมมาเกิดถ้ายังมาเกิดอีกอยู่ก็ต้องแก่เจ็บตายไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้ ในเมื่อพระจักคูบาลท่านเป็นโยมโยมจักคุบาลท่านได้ฟังเราจะอยู่ทำไมอยู่ในโลกเนี่ยถ้าอยู่ไปก็อย่างที่ว่าคอยวันตายแทๆ้ๆเราทําไมจึงไม่โสดแสวงหาทางพ้นทุกจากท่านกระพุทธินใจในเดี๋ยวนั้นเนี่ขณะที่ฟังเทศอ๋อเราบวชแน่ว่ะพอพระพุทธเจ้าเทศจบลงเหมือนกันน่ยพระจักคูบาลก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็นั่งกระโยมประนมือขอบวชเหมือนกันนี่ะ ข้าพระองค์ขอบวชโดยเธอเนะี่ยข้าพระองค์จะบวชทุกทิศตนต่อพระพุทธศาสนาจะไม่อยู่ทางโลกอีกแล้วพระเจ้าข้าที่พระพุทธองค์พูดตรัสไปเมื่อกี้นี่ถูกต้องทุกประการเหมือนอยู่ไปก็อยู่คอยวันตายทตนเองถึงจะควรจะหาทางพ้นทุกข์จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดดีที่พระพุทธองค์ตรัสไปนั้นถูกต้องครับผมก็ผมอยากจะบวชพระพุทธองค์ก็บอกว่าเออเธอมีพี่น้องไหม ถูกมีผู้จะได้ลาเขาไหมล่ําลาเขาไหมถ้ามีผู้ที่จะจะล่าลาเขาอยู่ก็ต้องไปบอกลาเขาก่อนท่านก็เลยบอกว่ายังยังมีน้องชายอยู่คนเดียวที่จะต้องลาเขาคนอื่นพ่อแม่ก็ตายหมดแล้วพราะพระพองค์ก็บอกเ อ, อือไปลาน้องชายก่อนจากนั้นท่านก็เลยไม่ได้ไม่ให้บวชเดี๋ยวนั้ น, นก็เลยกลับออกไปก็ไปลาน้องชายน้องชายก็บรรดไม่ได้พี่จะบวชทําไมเราอยู่สองพี่น้อง ผมถือพี่เหมือนกับพ่อของผมเมื่อพ่อแม่ตายแล้วผมก็ถือว่าพี่ชายเนี่ยเป็นพ่อของผมผมถือว่าพี่เนี่ยเป็นพ่อของผมเพราะนั้นเราก็อยู่ด้วยกันสองพี่น้องขอให้พวกเราคลองคราวาดไปก่อนเพราะทรัพย์สมบัติพ่อแม่หามาให้กุญกจมากมายอแล้วก็จังนมพวกเราก็ยังนมโยขอให้พี่อยู่ต่อไปเถอะเป็นพ่อของผมต่อไป แต่พี่ชายโอ้อยู่ไม่ได้นะน้องเพราะว่าพี่พิจารณาดูแล้วมันเห็นความตายนะไม่รู้ว่าวันไหนจะมาถึงเราเราจะให้แก่ซะก่อนมันก็ใช่ไม่รู้ว่าจะแก่ไปถึงไหนบางทีอาจจะตายวันพรุ่งนี้บลุลรุนนี้บอดาเพราะนั้นเรารับประกันไม่ได้ชีวิตของเราเพราะนั้นขอพี่ขอบวชเถอะนะทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นของพี่ทั้งหมดพี่ขอมอบให้แก่น้องชายทั้งหมดนะน้องนะให้ดูแลครอบครองไปเถอะ พี่จะบวชอะทางน้องชายก็ห้ามไม่ฟังจากนั้นพี่ก็เลยไปบวชพอไปบวชพอไปบวชไปดูในวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารถึงหปีคือตามพระวินัยให้อยู่กับครูบาอาจารย์ถึงห้าปีซะก่อนให้นิสยัยพ้นนิสยัยนิสัยมุตตกะคือเป็นผู้ใหญ่ไม่งนนั้นคือบวชเข้ามาก็ต้องศึกษาจากครูบาอาจารย์กฎข้อเรียบรำเนียมประเพณี เรื่องศีลาจารวัตต่างๆต้องได้เรียนจากครูบาอาจารย์คือว่าใหญ่กับพ่อกอกับครูซะก่อนมิฉะนั้นจะเรียนให้เข้าใจเรื่องศีลและวินัยให้เรียบร้อยซะก่อนถ้าปรรษาจึงออกฉะนั้นพ่อห้าปัญหาท่านก็นเลยไปการาบลาพระพุทธเจา้าเข้าไปกราบคุณถามพระพุทธเจ้าว่วาพุทธศาสนานี่มีกี่อย่างพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกว่ามีสองมีสองอย่างคือคันธทุระ และพิปัสนาธุระคันถาธุระนั้นจะต้องเรียนจะต้องศึกษาพุทธวจนะพระธรรมพิไนเป็นยังไงพระวินัยเป็นยังไ ง, พ ร, ง, ไงพระสูตรเป็นยังไงพระประมัตธรรมเป็นยังไงต้องเรียนให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็นํามาสอนผู้คนอนะันนี้แลยวว่าคันถาธุระส่วนพิปัสนาธุระนั้นในเมื่อเรียนเมื่อศึกษาแล้วพอเข้าใจในหลักธรรมคําสอนของเรา จากนั้นก็ น, นำไปประพฤติปฏิบัติไปไปดูในป่าองค์พงไผหลับหูหลับตานั่งภาวนาปฏิบัติตามที่เราได้ศึกษาตามที่ได้ปฏิบัติจากนั้นก็เนี่ยแหละเราจะได้มักได้ผลพระจักกุบานก็ถามว่าทั้งสองอย่างเนี่ยอันไหนมีคุณค่าอันไหนมีประโยชน์กว่ากันพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าคนที่คันถาตุละเหมือนกับคนเลี้ยงวัว แต่วิปัสนาธุรานั้นเหมือนเจ้าของของวัววัวนมเหมือนกันเะเจ้าของผู้เลี้ยงไม่ได้กินนมวัวแต่เจ้าของของวัวไม่ได้เลี้ยงได้กินนมวัวเพราะฉะนั้นวิปัสนาธุรานีน่คือออกไปปฏิบัติชำระจิตใจของตนเองให้สาเร็จให้สาเร็จมากสําเร็จผลส่วนคั้นฐานธุรานั้นคือรักษาแม่วัวเอาไว้ที่เนี่ยพระจักคุบาลท่านก็เออได้ศึกษาท่านก็ ขอลาพระพุทธเจ้าได้สมัครพักพวกไป6กสิบองค์ว่างั้นเดินตามไปไปภาวนาอยู่ในป่าพระสมัยนั้นมีมากท่านก็เลยไปเดินไปในป่าไปในชนนบทว่างั้นไปห่างไกลจากกรุงสวรรค์ี่พอเข้าไปไปไปไ ป, ไปถึงหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งญาติโยมเขาไปเห็นโอ้พระคุณท่านมาอะไรพระจักรพบาลที่เป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนก็บอกว่าอาจมามาหาภาวนามาปฏิบัต ต้องการความสงบออในหมู่บ้านของคณะสัตยาญาติโยมเนี่ยพอจะอยู่ได้ไหมสงบไหมพอเป็นไปได้ไหมถ้าว่าพระคุณท่านต้องการพวกเราจะจัดสถานที่ให้ให้จะสร้างวัดให้ลักษณะอย่างนั้นแหะแต่วัดสมัยนั้นท่านทําเป็นกระต๊อกกระแต๊บทำเล็กๆพอเป็นเพลิงสําหรับกันแดดกันฝนท่างกับภาวนาของท่านท่านมาเลยทำหรูหราโอ้อาเพราะว่าเขาทําแบบง่ายๆพระสงฆ์เหล่านั้นก็รับ จากนั่นก็เขาก็จัดสถานที่ให้ทั้ง6ศิองค์พระเทเรซาจักกูบาลท่า น, นก็บอกหมอะไรตัวเนเออพวกเรามาได้ได้ลาจากพระพุทธเจ้ามาประพฤติธปฏิบัติขอให้พวกเราตก อ, อกตั้งใจปฏิบัติเอาจริงเอาจังนะใครจะเอาเดินอย่างกลมนั่งสมาธิภาวนาอย่างไรอย่าไปพูดอย่าไปพูดจะไปคุยกันตามองค์ต่างอยู่ให้ให้ดู อันนี้ให้ดูพิจารณาให้ภาวนาทําจิตใจให้สงบจากขั้นใจพิจารณาร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนร่างกายเนี่ยธาตุสีดินนา้าลมไฟเกศาโลมานขาทันตาไตาโจเกศาผมโลมาฝนนขาเล็บทันตาฟันตะโจดังเนเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกตายสลายลงสู่ดินน้ามลมไปเพราะนั้นพวกเราอยาก คิดสนุกสนานอย่าคิดเพลิดเพลินกับร่างกายของพวกเราขอให้พวกเราไปภาวนาตั้งอกตั้งใจภาวนาในคราวนี้พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นี่พวกเราควรจะนั่งภาวนาปฏิบัติแน่นำมักนําผลไปกราบทูลพระพุทธเจ้ามันจึงจะถูกนะหนูพวกเพื่อนนะท่านก็พยายามแนะนําสั่งสอนหนูพวกเพื่อนจากนั้นกัจจวนจะเข้าบรรษาพอเข้าบรรษาท่านก็ประกาศว่าพวกท่านทั้งหลาย ที่มาอยู่ด้วยกันพวกท่านทั้งหลายจะทําความเพียรอย่างไรถามว่าจะทําความเพียรอย่างไรจะภาวนายอย่างไรพวกลูกน้องก็ถามว่าท่านอาจารย์น่ะท่านจากจารจะทำไงสาหรับผมเลยผมจะเอาอริยบท3 อ, อริยบทสคืออะไรคือยืนเดินนั่งจะไม่นอนเด็ดขาดในสเดือนในพรรานี้คืออริยบทสาก็คือยืนเดินนั่งจไนนนนะออนนงจไม่เอ็นกายเลย ในพรรษานี้นั่นนะ่ะท่านเอาเด็ดเดียวขนาดนั้นนะราจากคูวาจากนั้นโอท่านอาจารย์จะเอาขนาดนั้นเหรอปวดลูกน้องเลยแบบว่าไม่สู ด, ด้วยว่าันแต่ท่านเอาจริงๆจากนั้นท่านก็ภาวนาตั้งแต่วันเข้าพรรษามานะท่านก็ยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งตลอดพอเดือนสุดท้ายเนี่ยนีตาของท่านไม่ไหวเจนี่คล้ายๆเรามันปวดตาทนี่ เพราะกรรมเก่าของท่านกําลังให้ผลแล้วแต่เนี่ยกรรมเก่าว่าไงเด็กกรรมเก่าของพระจักรพรรดกรรมเก่ามาให้ผลถึงท่านก็โอ้ปวดตาน้ําตาหลั่งไหลออกมาหมอเขาก็บอกเออือท่านเป็นอะไรถ้าบอโอ้ตาจะมามีปัญหาหลมแทงตาว่าไงมันมีแต่น้ําไหลออกตลอดเลยหมอเขาเลยเออเดี๋ยวผมจะทำยาให้หมอเขาก็มีสมัยนั้นแต่ยาของผมเนี่เป็นน้ํามัน เวลาท่านหยอดเข้าไปไม่ต้องหยอดตานะหยอดเข้าทางจมูกว่าไงพอหยอดเข้าทางจมูกแล้วตาของท่านจะหายเองว่าไงแต่หยอดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะยาของผมเนี่ยจากท่านเขาก็ให้พราให้พระจักกุบาลพระจักกุบาลท่านไม่นอนอยู่แล้วนี่ท่านไม่เองกายอยู่แล้วท่านได้ยามาได้ทำยังไงสิเมื่อกงายไงหน้าขึ้นฟ้าก็หยอดจมูกเข้าไปมันก็ไม่เข้ามันก็อยู่ไม่ได้นานมันต้องนอนหยอดว่าไงั้นะทีนี้ก็ หมอเขก็ถามเป็นไงท่านยอดหรือยังท่านทำไม่พูดเพราะท่านไม่โกหกเนี่ยใช่ไหมท่านไม่ชอบโกหกและท่านไม่โกหกท่านก็ไม่พูดในเมื่อท่านไม่พูดก็ถามท่านนอนยอนหรือท่านนั่งยอดท่านก็ไม่พูดพอได้สุดก็เลยหมอเขานึกจะถามอย่างี้ยก็เลยไปดูสถานที่ที่ท่านอยู่โอ้เห็นแต่ท่านยืนกับนั่งท่านเองไม่นอนเลยไม่มีที่นอนเลยเหมือนั้นเถิะมีแต่ทางเดินยองเป็นมันเลยแล้วก็มีที่นั่งท่านเอง แล้วจะมีที่ยืนยืนยืนพิงฝาภาวนาเท่านั้นที่นอนไม่มีเลยที่กระต๊อบของท่านโอ้ท่านท่านท่านต้องนอนนะถ้าไม่นอนไม่ได้นะพระคุณท่านเอาเถอะรักษาหายสะก่อนท่านยังค่อยทําความเพียรต่อก็ขอให้ฟังผมเถอะท่านนั้นตาของท่านบอดแน่นะท่านก็ฟังไม่เชยเฉยจากนั้นก็กวที่สุดท่านก็ไม่ยอมจริงๆเพราะท่านท่านตั้งสักจะอธิษฐานแล้วนะ บอกว่าข้าพเจ้าจะไม่นอนตลอดไตรมาสสมเดือนหนึ่งข้าพเจ้าจะไม่เอนกายโดยเด็ดขาดเนี่ยท่านรักษารักษาคําสัตว์ของท่านรักสัตว์ยิ่งกว่าชีวิตมันงั้นเหรอเนี่ยโดยมากพระกรรมฐานพระพระในครั้งพุทธกาลท่านเป็นอย่างนั้นจากนั้นท่านก็ไม่ยอมนอนพอจากนั้นมาหมอก็เอายาให้อีกท่านนั่งหยอดห้ือท่านนอนหยอดท่านก็ไม่พูดอีกหมอเขาโอ้ถ้าเป็นลักษณะนี้ผมทํายาให้เขาไม่เกิดประโยชน์ เอาผมจะหยุดแล้วนะครับผมจะหยุดแล้วเป็นอันว่าผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เอายาให้ท่านท่านก็บอกว่าท่านต้องบอกว่าไม่ได้รับยาจากผมเพราะอะไรเพราะผมให้แล้วท่านใส่ไม่ถูกตามที่ผมบอกท่านกรับในใจจากนั้นท่านก็ถามมาถึงมาถึงว่าท่านก็ถามถามตัวของท่านเองท่านก็ถามว่าจักคูบานท่านถามตัวท่านนะจักคูบาลเธอรักตาของท่าน หือเธอรักมรรคผลนิพพานถ้าเธอรักมรรคผลนิพพานท่านต้องรักษาสัจจะถ้าว่าเธอรักตาของท่านท่านต้องนอนหยอดตาเอาอยัางไงสองอย่างในใจร่า น, นบอกเรารักสัจจะเรารักมรรคผลนิพพานตาของเรานี่มันจะแตกก็แตกไปเอาเถอะแต่ก็แตกผลที่สุดท่านก็เลยไม่หยอดตาพอวันออกพรรษาเท่านั้นนะ พอออกพรรษาวันออกพรรษาวันออกพรรษาตาเขาท่านกระแตกด้วยออกพรรษาด้วยกิเลสในใจของท่านก็หลุดออกไปด้วยงั่นเถอะสามอย่างพร้อมกันท่านได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์ในวันออกพรรษาแล้วก็ตาของท่านกระแตกในวันออกพรรษาแล้วก็เป็นพันออกพรรษาอีกพอออกพรรษาวันนั้นแหละท่านเดินมิทธบาดไม่ได้ท่านนั่งจุกปุกเลยตอนเช้าท่านสงฆ์ก็เข้าไป พระอุปถากเข้าไปเป็นไงท่านอาจารย์ท่านบอกโอตาของผมบอดแล้วมองไม่เห็นถนนห น, นทางแล้วจากนั้นลูกศิษย์ลูกหาอุ้มมาลงมาตุ่มมาแล้วเป็นยังไงกตากระแตกทั้งสองข้างจากนั้นท่านเออไม่เป็นไรท่านอาจารย์เดี่ยวพวกผมจะดูแลจะปฏิบัติเองจากนั้นพระลูกศิษย์ลูกหาก็เลยช่วยดูแลผลปิบัติท่านอย่างดีว่าเนี่ยพอต่อมาทีนี้พระออกพรรษาแล้วท่านก็ได้อยากใจไปกราบพระพุทธเจ้า พระจักคุบาลก็สอนพระลูกน้องเหล่านั้นอีกฮนะวิธีการปฏิบัติธรรมยังไงยังไงยังไงพระเหล่านั้นทั้งห59ารนะูปนันท่านได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยทที่มากับท่านจากนั้นพระเหล่านั้นยอยากจะไปกราบพระพุทธเจ้าพระจักขุบาลเออเอาไปเขไปได้ผมอยู่ตามลำพังได้ไม่เป็นไรจากนั้นเขาท่านก็ถ่าไปแล้วก็บอกให้หลานให้น้องชายเอาหลาน เอาใครมามารับผมก็ได้นะให้พวกท่านไปก่อนก็ได้ไปพระเรานั้นก็เลยไปไปแต่ท่านก็อยู่ตามลําพังต่อมากับหลานชายท่านก็มารับอันนี้พูดอย่างพวกรัฐจากนั้นท่านก็หลานชายมารับก็ไปส่งถึงวัดป่าเชตะวันมหาวิหารแต่นี้ท่านก็อยู่ตามลําพังเลยพระตาบอดอะไรเนั้ น, นแต่ท่านเข้าไปลดละในการเดินจงกรมของท่านนะนี่พระทหารถึงถึงท่านจะตาบอดท่านก็เดินจงกรม มีลาวเดินคนนัแต่ปจับลาวเดินเดินเดินเดินท่านภาวนาของท่านเหมนแต่วันนั้นคืนน้นฝนตกพอฝนตกเนี่ยแมลงมอวันออกใช่นีมแมลงเมอวันออกพระจักกุบานนั้งก็เดินเดินแล้วก็ไปเหยียบแมลงมอวเขาก็ไม่เห็นเห็นไหมไปเหยียบแมลงมอวแมลงเมอวตายเกลื่อนเลยจิงแต่ในมีพระกลุ่มหนึ่งเข้ามากราบพระพุทธเจ้าพอมากราบพระพุทธเจ้าท่านก็ไปกราบพระเถระที่มีชื่อว่า อาชิติมหาสาวก80ดจีโพรือยองค์ไหนอยู่ที่ไหนบ้า ง, างนี่คือพระจัะจกคูบาลน่ยตัวเขาก็เดินเดินไปเขาก็เดินผ่านไปเห็นพระจักคุบาลทางเดินจงกรมพระจักคุบาลเห็นมแมลงเม่าตายเกลื่อนเลยเจนพระเหล่านั้นเลยโอ้เห็นไหมเนี่ยขั้นทั้งหลายหมู่เพื่อนทั้งหลายสมัยเมื่อตาดีๆขี้เกียจเดินจงกรมขี้เกียจภาวนาแค่พอตาบอดขึ้นมาแล้วจึงมาเดินจงกรม เห็นไหมเหยียบมาแมลงมเมาตายเกินไปหมดไม่รู้จะบุญไม่รู้จะบาปถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้พระเหล่านั้นเขาตําหนิงป็น่ะที่พระที่ไปเห็นจากนั้นเขาก็ไปกราบทูลพระพุทธเจา้าบอกพระองค์ตาบอดอยู่นั่น่ไงขยันเลยนยังโกลแต่ไปเหยียบมแมลงมเมาตายเกินไม่รู้เป็นบาปไม่รู้จะเป็นบุญพระเจ้าค่ะเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าเอออันนั้นคือจักภูบาลท่านได้เป็นพระอรหันต์แล้วท่านเป็นพระอรหันต์แล้ว พระอรหันต์ทำบาปทําบาปไม่เป็นบาปทาบุญไม่เป็นบุญเพราะเหตุไรเพราะท่านไม่ไม่เจตนาไม่มีเจตนาในใจว่าใจเหยียบแมลงเม่าแต่ท่านไม่เห็นท่านก็เหยียบไม่เป็นบาปและก็ไม่เป็นบุญสําหรับพระอรหันต์ท่านหมดจบจากกิเลสแล้วผ้าเหล่านั้นโอ้ทําไมท่านอันนี้สงสด้ ว, ว่าบุญกุศลถึงได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ขนาดนั้นทําไมท่านจึงตาบอดไปเจ้าค่ะ พระพุทธองค์ก็บอกว่าอดีตชาติของพระจักรภูบาลพวกท่านทั้งหลายตั้งใจฟังเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังคือสมัยหนึ่งพระเจ้าพารานสีกรุงพารานสีมีบุุษคนหนึ่งเป็นหมอเป็นหมอตารักษาตาในคนในท้องถิ่นและไปเห็นยายคนหนึ่งติ่ตาไม่ดีน้ำตาไหลอยู่ตลอดตาไม่ดีก็เลยหมอเนี่ยก็เลยเข้าไป ไปบอเออ ย, ยายเป็นไงตาไม่ดีหมอเหมือนเห็รักษาให้หน่อยเถอะถ้าว่ารักษาตายายตามของแม่ดีแล้วน่ยแม่จะจะยอมเป็นคนใช้ทั้งลูกชายลูกลูกสาวด้วยคือพอมีลูกสาวก็ลูกชายก็จะยอมเป็นทาสเป็นคนรับใช้คุณหมอถาาว่าหายแล้วหมอก็เลยเออเดี๋ยวผมจะรักษาให้จากนั้นเขาก็เลยรักษาพอรักษาทีนี้ มันหายแล้วแต่ทาท่าไม่หายสินี้ไม่อยากจะเป็นไปเป็นคนใช้ของหมอว่ารแบบนี้พอทวนธรรมดามาก็ทําการทํางานได้แต่พอหมอมาเนี่ยทาท่าคํานั้นคํานี้ ท, ทําำตาไม่เห็นเหมือนก่นแต่ชาวบ้านเขาก็บอกว่าเนี่ยสมัยหมอไม่อยู่มาทําได้งานได้หมดนะแต่หมอมาทำท่าตาบอดหมอในก็โม่โอ้ขึ้นมาเหมือนกันกะโมโ่โอย เอาเถอเดี๋ยวข้าจะไปผสมน้ำกดหยอดตาให้มันตาบอดใช่ไหมหมอก็เลยคืดให้ขึ้นมาเถพอกลับไปบ้านไปบอกคู่เมียว่ารักษากดป่วยคนนี้มันเอาเปรียบเราแล้วเกินเรารักษามันหายแล้วมันไม่ยอมไม่ยอมตามทำกรรมตามกฎกติกาเราต้องประสมน้ำกดหยอดตามันหวังตั้งผู้เมียโอ้ย่าอย่าไปทําอย่างนั้นมันเป็นบาปนะอย่าไปทําเถอะมันไม่บาต อบาปในบาปไม่ว่าแล้วมนะั้โมโหให้คนในหน้ามันผนที่สุดก็เลยทําอย่างที่ว่าจริงๆไปก็เลยบอกไอ้ย้ยายยายขนาดนี้ยายตัดรากตัดโคนนะหัวเนี้ยยอดเข้าไปนหายหมดเลยผลที่สุดยายยายก็จะตัดรากตัดโคนอยากจะหายใช่ไหมพอให้เสร็จแล้วก็พอได้รับยายจะไม่รีบหนีออกไปแล้วงั้นไงย้ายนี่นก็ยอดตาพอจอดก็กลายเป็นิ้ว ใจก็เลยตาบอดเลยว่า ง, งั้นเถอะพอตาบอดเลยไอ้ท่านเกิดเลยจบกันไปในชาตินั้นเนี่ยหมอคนนั้นก็เลยต่อมาท่านหมอกตายไปเหมือนกันนะพอตายเสร็จแล้วเนี่ยมาเกิดเป็นพระ จ, จักรคูบาลพอมาเกิดเป็นพระจักรคูบาลนีก็เลยมาตาบอดเพราะได้ใช้กรรมที่ทําให้คนอื่นเขาตาบอดเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกพยาบาลพวกเราต้องดูให้ดีนะอย่าไปทําสิ่งที่มันไม่ดีนะถ้าทําไม่ดีไม่ได้นะเออเห็นไม่ ขนาดหมอคนนั้นมันให้เขาตาบอดเขายัางตาบอดเลยเกิดมาชาตินี้ฝันวัดอากตังทุกตะตังเซโยปัจชาตะปติทุกตะตังยยตตกรรมชั่วอย่าทําเสเลดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังเมื่อเราทําไม่ดีแล้วกรรมตัวนั้นมันจะตามมาเหมือนกันแ ต, ตามผ่านเผาผ่านเมื่อภายหลังอย่างพระจักรคุบาลเนี่ยท่านเป็นหมอมาก่อนแต่ท่านไปนแต่ง ยาผสมกับน้ำกดเข้าไปไปหยอดตายาย่คนนั้นเพื่อตัดรากตัดโคนตัดรากจริงๆเมื่อตาบอดไปทั้งชาติเลยเลยจบเลยแต่นั้นแต่พระจักรคูบาลนี่เป็นหมอนี่ยก็เลยไปรับกรรมในชาตินั้นมาถึงชาตินี้ก็เลยใช้กรรมจะเป็นพระหรหันกรรมก็เลยมาให้ผลก่อนที่ท่านจะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเพราะฉะนั้นขอให้พวกคณะลูกหลานทุกคนนะที่เป็นที่ทําหน้าที่รักษาคนป่วยคนไข้ ต้องมีน้าใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนั่นนะมีน้ำจิตมีน้าใจถ้าพวกเราทำดีแล้วมันจะเป็นพลังอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะมันจะเป็นพลังเกื้อคุณหนุนเราเมื่อเราออกจากราชการไปแล้วไปนะั่อยู่นสถานที่ใดบุญกุศลจะเกื้อคุนหนุนพวกเราจึงมีแต่ความสุขความเจริญงอกเงยงอกงามหน้าที่การงานทรัพสมบัติญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ให้ความเคารพรักนับถือ บุญกุศลจะเกื้อกูลหนนนะอันนี้ก็คือเราทํากรรมดีเอาไว้กรรมดีก็จะตามสนองพวกเราถ้าทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะตามสนองอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวและก็พร้อมกันอย่าลืมแนละพวกเราเป็นพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาก่อนหลับก่อนนอนของหลวงพ่อว่าอยากจะแนะนําพวกเราท่านทั้งหลายให้ไหวพระอระหังสมมาสาวาคาโตสุปฏิปัโน ไหว้พระในห้องพระซะก่อนจากนั้นก็ระลึกถึงคุณบิดามารดาที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาพระคุณของท่านและต่อบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ที่ใช้ร่างกายของอพ่อแม่พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาเนี่ยเราใช้ร่างกายของเราเนี่ยแล้วก็ขอให้บุญกุศลที่ร่างกายของเราได้ทำปณิขอให้เป็นทวารปัจจัย ขอให้คุณพ่อคุณแม่ดวงวิญญาณของคุณพ่อคุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญเนอร์แล้ถ้าว่าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันณะสุขภาระให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ด, ด้วยบุญด้วยกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําอันนี้คือก่อนที่เราจะหลับจะนอนเราไหว้พระแผ่เมตตาเสกองจากนั้นถ้าเป็นไปนได้หลวงพ่อเองอยากจะแนะนําให้พวกเรานั่งสมาธิ อย่างน้อยสักานาทีหรือ10นาทีก็จะดีเหมือนกันแต่ละวันคือทําเป็นเรีบใสเลยทำเป็ น, น, เ, เ, ปนเป็นประจําวันเลยแบบนั้นเถอะไม่ให้ขาดแังนั้นเถอ ะ, เ, ถอะเรานั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธกําหนดคือทําใจให้พักผ่อนทําใจให้ได้พักผ่อนเดี๋ยวนี้ใจของเรานะ่ยมันวิ่งวุ่นไปทุกเฟล่ําเวลาไม่มีเวลาพักผ่อนในใจของเราใจมันคิดปงฟุ้งอยู่ตลอดเฟรมเวลาแต่นี้ถ้าเราอยากให้ใจของเราพักผ่อน จะทำยังไงหลักของพุทธศาสนาพกะปฎิจารธรคือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกจากนั้นก็เมื่อจิตของใจของเรามีสติสัมปชัญญะใจของเราก็จะได้พักผ่อนเลยไม่คิดไม่ปุ้งไม่ฟุง้งไม่สร้างจิตจู่กับตัวเองพุทโธพุทโธพุทโธมันนิ่งนี่แหละมันจะเป็นพลังอันหนึ่งขึ้นมาเหมือนกัน เมื่อใจของเราได้พักผ่อนแล้วใจของเราอยู่นิ่งแล้วใจของเราไม่ว้าววี้างว่างเงียบเหงาเศร้าสึส้งใจของเราไม่ปุ่งฟุง้งซ่านใจของเราก็จะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขถ้ามันจิตสงบจริงๆนะรวมจริงๆสงบจริงๆในหลักธรรมคำสอนของพระพทุทธเจ้าจังหว่านักทิสันติประลังสุขขันความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพราะนั้นความสงบเนี่ยเรายังไม่เคยพบเคยเจอ เราจะเคยเห็นแต่วความปุ่งฟุ้งซ่านของเราบางทีมีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นเราคิดโอโ้โหคิดแล้วคิดอีกเกี่ยวกับหัวจะแตกตาแดงไปหมดแบบนั้นเด็กพราคนคิดมากนะนอนไม่หลับอีกต่างอาะอันนั้นเราเคยเจอแต่ว่าความสงบแห่งจิตแห่งใจคือความเป็นหนึ่งของใจเนี่ยพวกเรายังไม่เคยพบเคยเจอเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วว่านักตริสันติป ร, รังสุขขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีขอให้พวกเรารทั้งหลายนะักพยายามฝึกจิตฝึกใจห เ, เข้าสู่ความสงบถ้าพวกเราจิตใจเข้ า, ขาสู่ความสงบนั้นนั่นแหละเป็นปุณเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ที่สุดในหลักของพระศาสนาท่านบอกว่าให้ทานร้อยครั้งสู้รักษาศีลบริสุทธิ์ครั้งหนึ่งไม่ได้รักษาศีลบริสุทธิ์ร้อยครั้งสู้นั่งภาวนาจิตสงบครั้งหนึ่งไม่ได้ ถาว่าจิตสงบคํานี้เป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่แต่ไม่มีใครอยากจะทำนะพอนั่งเข้าไปสับปะงกงกห่วงมไม่รู้ว่าอะไรตัวไม่อะไรยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดเพราะใจของเราเนี่ยมันไม่อยากจะสงบเพราะงั้นแต่ถ้าว่าเราบังคับให้มันสงบได้แล้วนั่นแหละจะมีความสุขความสุขความเย็นใจอย่างมากเพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะทายาทหลวมลูกหลานทุกๆคนนะวันนี้หลวงพ่อได้มาพบมาเจอ ขออและกคณะแพทย์คณะพยาบาลทั้งหลายที่ได้มาร่วมประชุมในห้องแห่งนี้นะขอให้พวกเราทั้งทั้งหลายตั้งใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวการทําการทํางานให้ทํามาออกมาจากใจจริงให้มีน้ําใจให้มีเมตตาเพราะว่าท่านที่มาเกี่ยวข้องเราคือพี่น้องประชาชนคนในชาติล้วนแล้วจะเป็นผู้มีพระคุณสําหรับเราหรือเป็นผู้เสียภาษี ให้แก่พวกเราหาเงินให้แก่พวกเราพวกเราได้ใช้เงินภาษีของเขาเผากันมารับบริการจากพวกเราถ้าเขาได้รับบริการดีมีน้ำใจพวกเราก็เป็นบุญเป็นกุศลเมื่อเขารักษาหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วนะแต่ถ้าว่าพวกเราไม่มีน้ำใจไม่มีเมตตามีแต่ความโมโหโกรธาอย่างหมอในข้งพนักานอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวถึงพระจักรุบาล ท่านออกบวชอย่างไรท่านจึงคิดอย่างไงทึานจะออกบวชแต่ท่านได้ใช้กรรมอะไรกรรมไม่ดีของท่านมีทั้งกรรมดีมีทั้งกรรมไม่ดีว่างั้นกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีก็คือท่านได้บวชในพุทธศาสนาท่านได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์อันนั้นคือกรรมดีของท่านแต่กรรมชั่วของท่านท่านเป็นหมอในอดีตชาติรักษาคนตาบอดคนตาไม่ดีท่านก็เลยโมโหให้เขาว่าเขาไม่ปฏิบัติตาม เงื่อนไขแล้วไม่ปฏิบัติตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้ท่านก็เลยแต่งยาหยอดตาให้เขาใหม่เขาก็เลยตาบอดบาป ก, กรรมตรงนั้นก็เลยมาหาท่านแต่ตาไม่จริงเขาไม่มีสัตว์นะเขาก็รับกรรมของเขาอยู่แล้วนะเขารับรับกรรม เ, ออเขาไม่มีความสัตว์เขาก็มีกรรมของเขาเขาจะต้องรับกรรมเพราเขาไม่ไม่มีความสัตว์ในตัวของเขาแต่นี่เราไปทําให้เขาอีกเราก็ต้องรับกรรมที่เราไปทําให้เขาตาบอด เรากวับกรรมตัวที่อีกจย่เขาไปอีกเพราะ น, นั้นอย่าไปทํเาเพราะพระเจ้าว่ากรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านให้โทษตามมาเมื่อภายหลังเหมือนเราถ้าว่าผู้ใดก็ตามคิดอะไรปลุกปรับคิดไม่รอบคอบปลุกปรับไปฆ่าไปป้นไปไปรักไปขโมยไปทําสิ่งที่มันไม่ดีตอนที่ทําเราก็ไม่ได้คิดนะพอทําไปแล้วทีนี้นั่นแหละตำรวจ สืบสอบได้แล้วเขาทําผิดคนนั้นทําผิดเขาจะไล่จับเข้าคุกเข้าตารางวิ่งหัวสุกหัวสุนเลยเดินในเมื่อทนะําน่ยมันไม่ได้คิดอย่งนั้นนี่แหละกรรมชั่วจะทําเ ส, เสือเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นเมื่อทําไปแล้วตํารวจจะจะจับเข้าคุกเมื่อภายหลังฮะพูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดเหมือนกันเพราะนั้นกรรมชั่วใครจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามตัวของเราเห็นอยู่ทําให้ถูกต้องทําไม่ถูกต้อ ง, อ, งอย่าทํา เหมือนกเราไปจับไฟในห้องอย่างนั้นน่ะถึงใครจะไม่เห็นว่าข้าพรเจ้าจับไฟจับไฟในห้องมันมืดไม่มีใครเห็นมันร้อนไหมร้อนก็เหตุอะไรพบไฟนี่ก็เหมือนกันทํากรรมชั่วถึงใครไม่เห็นเห็นหรือไม่เห็นก็าตามถ้าว่าจึงนั้นที่มันไม่ดีไม่ไม่ถูกต้องแล้วมันก็คือความชั่วทั้งหมดเพราะฉะนั้นอย่าทําสิ่งที่มันชั่วเสียหายเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอันนี้คือส่วนหนึ่ง จากนั้นหลวงพ่อก็ได้เตือนพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธมามกะพุทธบริษัทที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก่อนหลับก่อนนอนให้ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ให้นั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบถ้าพวกเราทําจิตใจให้สงบแล้วต่อไปจะเกิดประโยชน์สําหรับพวกเราอย่างมากเมื่อเท่าเมื่อพวกเราเท่าแก่ชรานะพวกเราเท่าแกชา่ชราเพราะพวกเราจะต้องแก่ไปเรื่อยๆเหมือนกันแก่ชลา เมื่อเท่าแก่ไปแล้วเราจะไม่ว้าเหวีย่ยงว่างเงียบเห า, าหเศร้าซึมเพราะเหตุไดเพราะใจของเรามีหลักมีหลักยึดคือยึดยึดทำคําสอนยึดสมาธิทำทำําจิตใจให้สงบเราไม่ต้องห่วงหาอะไรใครทั้งหมดอยู่กับสมาธิของเราเนี่ยใครจะไปที่ไหนก็ไปต่างคนก็ต่างเกิดมาใช้กรรมของใครของเราเราเกิดมาเราก็ใช้กรรมของเราลูกสามีภรรยาลูกหลานเขาก็เกิดมาเขาก็ใช้กรรมของเขา เกิดมาใช้กรรมของไขรของเราวันนั้นพระพุทธเจ้าว่าอยากเกิดขึ้นมาแลดีที่สุดแต่จะทํำยังไงจึงจะไม่เกิดนะ่ะอันนั้นเราต้องศึกษาว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเลยท่านจะทําให้ไม่เกิดแต่เดี๋ยวนี้เราเกิดมาแล้วจะทำยังไงพวกเราสั่งสมบวงกุศลไปก่อนนะเก็บหอมรอมลิปไปก่อนตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะเหตุไรจังหวะยืนยันได้ย่างไรหลวงพ่อยืนยันได้อย่า ง, ง, างว่าตายแล้วไม่สู่เพราะพระพุทธเจ้าท่าน ได้ไปภาวนาทําจิตใจของท่านให้สงบพอจิตสงบเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะนะพระพุทธเจ้าเราว่าท่านระลึกชาติผลหลังได้ปุกเพรนิวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้แปลว่าหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยตายแล้วไม่สูญพระพุทธเจ้าไปวิเคราะห์ไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกที่พระพุทธเจ้าได้แต่สรุปธรรมในวันเดือนดวงเพลนจากนั้น พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราอย่างหลวงปู่เสาหลวงปู่มันหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่ต่างๆนะแต่ลมพ่อนี่ก็เถอะนะหลวงพ่อเนี่นั่งภาวนาลงไปแล้วใจกับกายนั้นคนละอย่างกันพอจิตใจสงบเข้าไปแล้วรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายนี่ตายแตกสลายแน่นอนแต่จิตใจนั้นคือน้ำมะทา ม, ม น, ทนั้นจะต้องออกจากร่างนี่ไปเป็นผีวังงั้นเหรถ้าคนทําบาปนี่จะไปเป็นผีไปเป็นเปรตแต่ถ้าว่าผู้ใด สังสมคุณานามความดีออกจากร่างนี้แล้วไปเป็นเทวดาไปเป็นพระอินทร์พระพรหมไปได้ทั้งนั้นแต่ถ้าเราทำไม่ดีแล้วไปตกนรกบอกไม่ไปเป็นสัตว์ดิบชั้นไปเป็นเปรตได้ง่ายเพราะอะไรเพราะออกจากร่างนี้แล้วทำกรรมชั่วแล้วกรรมชั่วนจะพาไปแต่ถ้าเราทำกรรมดีกรรมดีก็จะพาไปแต่ร่างกายทุกคนนะั้นต้องแตกตายสลายแน่เหมือนกับรถนะรถกับคนขับรถนะรถเนะี่ยมันตายนะ มันไม่ใช่คนกับรถนะคนกับรถกับรถคนละอันกันแต่กายกับใจอาศัยกันอยู่อย่างนั้นแหะร่างกายเหมือนกับรถส่วนจิตใจคือนามธรรมเหมือนกับคนกับรถคนกับรถนั่นแหละจะไปเป็นเป็ดเป็นผีไปเกิดเป็นสัตว์ตัวฉานไปเป็นเทวดาบุตรเทวดาอินสมไปได้ทั้งนั้นไปอังกฤษอเมริกาไปประเทศพม่าลังกาไปที่ไหนก็ได้แต่รถเนี่ยมันจอดที่ไหนมันไปจอดที่นั่นนะทันทูกสูกมันติดจะยางมันแตกแล้ว มันไปไม่ได้มันจอดอยู่ที่นั่นแล้วนั่นแนหะมันตายแล้วรถคันนั่นนะแต่ว่าจกของรถที่ไปได้นี่แหละขอให้พวกเราศรัทธาญย่งโยมลูกหลานทุกคนนะอย่าไปคิดว่าตายแล้วศูนย์นะตายแล้วเกิดจรินะอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์ให้นั่งภาวนาถ้านั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วนะเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าร่างกายกับใจนะั้น ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่มันอาศัยกันอยู่อีกสักวันหนึ่งเมื่อร่างกายแต่ตายแต่แตายสลายแล้วร่างจิตใจก็จะไปสู่จะออกจากร่างไปสู่ภพภูมิต่างๆตามบุญตามบาปถ้าบาปคนใดมีบาป ค, คนนั้นก็บาปมันเข้าไปรับกตง น, นั้นแต่พาไปตกนรกตังนั้นแต่เหมือนกับเป็นตำรวจทหารพามาล็อกลงไปส่งไปนรกเลยถ้าเรามีบุญพอตายพบไป ก็มีเทวบุตรเทวดามาคอยต้อนรับไปส่งไปสู่สวรรค์ชั้นผงนั่นแหละขอให้พวกเราอย่าทํากรรมที่มันไม่ดีถ้าทํากรรมไม่ดีแล้วกรรมไม่ดีนั่นจะตามสนองอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าววันนี้การพูดกันกล่าวสมโภชนียกถาก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอาําะะนาจขุนภัดสีรัตนารา ย, พ ร, ยาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้คุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลาย จงประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้สมหวังดังปราถนาทุกประการเธิน